พระธรรมเทศนาของพระสุทติธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมธโรวัดอโศการามยี่สิบกันยายนสองพสเรื่องศีลานุสติ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 ก็เหยียบเลนเหยียบตมมอมแมมไปตามเรื่องของผู้เดินไม่มีท่าทางแต่มันก็ไม่ตายมันก็ไปได้มันก็ไม่ตายแต่มันเป็นเรื่องรําคาญแก่ผู้รู้จักหนทางเดินทางกับผู้ไม่รู้หนทางมันลาบากนะักเดินทางกับคนตาบอดมันก็ลาบากนะักคนตาบอดจะให้มานี่มานี่มันก็ลาบาก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 แม้เราไปเห็นแต่นิดเดียวก็ให้ตั้งข้อสังเกตว่าเขาทําอย่างนั้นน่ะเขามีความประสงค์อย่างไรเขาแสดงมารยาทอย่างนั้นเขาประสงค์อะไรเท่านี้เราก็รู้เรื่องถ้าเรารู้เรื่องอย่างนี้ก็เท่ากับหยอดตาตัวเองได้บางคนล่ะก็เอาไม้แย่ตายังไม่ค่อยจะลืมนั้นเรียกว่าเหลือวิสัยอยู่เหมือนกัน ถ้าเป็นคนที่ตาไม่มืดมากไม่ต้องไปดูอะไรมากมายเห็นครั้งเดียวเท่านั้นละ่ะก็เป็นแบบปฏิบัติตนไปเรื่อยๆไม่ต้องให้มีหลายตัวอย่างถ้ามิฉนั้นละ่ะก็หาเลี้ยงตัวไม่คุ้มถ้าใครไม่ฉลาดก็หาเลี้ยงตัวไม่คุ้มเหมือนกับพวกตัดรองเท้าก็ดีตัดเสื้อกางเกงก็ดีเขามีตัวอย่างตัวเดียวเท่านั้นเขาสามารถ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 การระลึกถึงศีลระลึกได้หลายทางหนึ่งระลึกถึงความบริรสุทธิ์ 2. ตรวจความไม่บริสุทธิ์ของตนให้สำเนีกดูทางฝ่ายชั่วเรียกว่าทุศรรีลให้ตรวจดูทางฝ่ายดีเรียกว่าบริสุทธิ์ที่ศีลให้ตรวจดูทั้งสองข้างนี้ถ้าเราตรวจดูเรายังมีความระแวงใจอยู่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์ ก็จงพ่อพูนทำศีลไม่บริสุทธินั้นให้ดีขึ้นอย่าให้มีความวิตกวิจาร์ในเรื่องมัน ญ, ญาตหรือศีลศีลนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบเพราะท่านจัดไว้เป็นแบบของสมถั ก, กรรมฐานเมื่อระลึกถึงศีลจิตสงบจึงเรียกว่าศีลานุสตินับเนื่องในศีลานุสติข้อหนึ่งในอนุสติสิ มันเป็นตัวสมาธิการตรวจศีลนั้นมันจะเป็นได้อย่างไรถ้าเรากระลึกถึงความไม่บริสุทธิ์และกระลึกถึงความบริสุทธิ์รู้เรื่องราวชัดเจนจิตก็ปล่อยคล้ายๆกับว่าเราตรวจดูข้าวของในบ้านเราอันนั้นก็ไม่หายอันนี้ก็ไม่หายมันก็นอนหลับถ้าเราตรวจดูของในบ้านเรามันหายไปนอนไม่หลับ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 เกวร ะ, ะปริกุณังศาสทั้งหมายถึงอัพยัญชฉะนังคือตัวหนังสือเกวร ะ, ะปริกุณังให้บริบูรณ์ให้ บ, ร, บ, หบริสุทธิ์อันนี้คือหมายความว่าอยากไปลึกว่าศีลมีแท้แท้เท่าสิขาบทนอกจากนั้นยังมีอยู่อีกอันเป็นของที่ยากเหตุนี้จึงแยกออกโดยคุณภาพมีวิธีต่างๆกัน ปกติศีลคือรักษากันโดยธรรมดาสามัญ น, นี้อย่างหนึ่งอริยศีลรักษาประกอบด้วยธรรมะนั่นอย่างหนึ่งนี่กล่าวถึงคุณภาพกล่าวถึงหน้าที่มีอยู่สองประเภทปหาณ ก, กิจสิ่งใดซึ่งเนื่องด้วยศิกษาบทพระองค์บัญญัติว่าไม่ควรอย่าหยุดสิ่งนั้นต้องตัดให้หมดไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวข้อง ภาวนาจิตสิ่งใดซึ่งเป็นของที่ควรทำขึ้นเพราะเป็นคุณงามความดีสิ่งนั้นต้องสัพ์สร้างอย่าปล่อยอย่าทอดทุระพากันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญให้รอบคอบนี่กล่าวถึงหน้าที่ใครจะถือศีลแบบไหนก็ตามมีอยู่สองลักษณะเท่านี้หานาจิตกล่าวกันสั้นๆก็คือส่วนอกุศลอยัาๆที่เราจะต้องละต้องเลิก เช่นอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าล่วงกาเมสุวิจฉาจาันอย่ากล่าวเท็จอย่าดื่มกินสุราเมรยัยสิ่งหยาบยบนี้เป็นประหารกิจต้องละทิ้งอย่างเด็ดขาดเรียกว่าอาทิพรหมจรรันทร์อาทิพรหมจันทร์นี้จะต้องละเป็นครั้งแรกที่นี้อภิสมาจารย์เป็นภาวนากิจ เราต้องทำให้เกิดมีขึ้นอย่าทอดทุระแต่ละคนละคนมีสองหน้าที่เท่านั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องพยัญชนะท่านเรียกอาธิพรหมจรรันทร์ถ้าจะกล่าวถึงส่วนบัญยาเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลผู้ทรงศีลคือได้แก่จริยาวัดที่มีเครื่องหมายท่านเรียกอภิสมาจาร์เครื่องหมายดีของผู้มีศีลนั้น มีอะไรบ้างเครื่องหมายดีของผู้มีศีลที่เรียกอภิสมาจาร น, นั้นมีอยู่สามลักษณะหนึ่งเป็นผู้สะอาดความสะอาดเป็นนิมิตของผู้มีศีลอั น, อนบริสุทธิ์นี่ให้จําไว้ให้ดี 2. ความสวยงามความสวยงามนี้เป็นนิมิตเครื่องหมายของผู้มีศีลอั น, อนบริสุทธิ์สา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 ในอาทิพรหมจรรันทร์อาทิพรหมจันท ร, ร์ไม่ฆ่าสัตว์กายสะอาดนั่นส่วนหนึ่งแต่อภิสมาจารย์นี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่เราเป็นผู้ไม่สะอาดเช่นนั่งที่ไหนก็ไม่รู้จักควาดไม่รู้จักปัดนี่เขาเรียกว่าคนโง่กรกนี่มันเสียศีลแล้วอันนี้นอนที่ไหน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 เมื่อเวลาเรานั่งไปนั่งไปทีนี้เราก็จะไปทําความรกในสถานที่นั้นเมื่อเราทําความรกรุงรังในสถานที่นั้นเมื่อเราจะลุกไปเราต้องล้างตัวเราให้มันดีนิฉนั้นคนอื่นเขาล้างเราก็จะเสียใจอย่างคนเก่ า, กาโบราณมาคนใดที่เขาเกลียดขึ้นไปนั่งบ้านของเขาเวลาลงจากบ้าน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 มันพอแก้ไขได้ก็ตั้งใจปฏิบัติความเพนตามหน้าที่ถ้ามันเป็นเหตุเหลือวิสัยก็ตามเรื่องมันอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นอีกเครื่องสกรปรกโสมมเช่นบ้วนน้าลายใส่ถนนอย่างนี้เป็นต้นถ้าทางพระท่านปรับอาบัตทุกกฎผิดอภิสมาจารเช่นทิ้งขี่มากขี่บุรี่เศษอาหารการกิน ไว้ตามผลทางสัญจรไปมาเป็นอาบัตทั้งนั้นพระเป็นอาบัตทุกกฎถ้าเป็นโยมก็เป็นอภิสมาจารเป็นเครื่องหมายของผู้ไม่มีศษษษีลธรรมในวินัยท่านห้ามในพัตตะวัดท่านแสดงไว้พูดเมื่อกี้ไม่ได้แสดงอย่างพิสดารท่านกล่าวว่าเมื่อภิกษุจะบริโภคปัจใจสีจีวรบิณฑบาต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 ก็ใส่กลับให้ดีแล้วเก็บปิดให้ไม่ชิดมีโรงที่เก็บเขาเรียกว่ากัปยากูดีถ้ามันเหลือกินแล้วก็ท่านให้เก็บให้ดีนะเอาออกจากบาดเสียถ้ามันเหลือกินถ้ามีกระโถนก็เพใส่กระโถนด้วยความครบแล้วเอาออกจากบาดให้หมดอย่าไปเทจุ่นจานนะถ้ามีอนุปสัสมบัติหรือเด็ก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 ภัสดคุคืออะไรคือปัจจัยธาตุทั้งสี่ปัจจัยทั้งสี่นี้ต้องเป็นของสะอาดปัจจัยสี่คืออะไรบ้างคืออาหารการกินทุกชิ้นทุกอันที่เราจะกลืนเข้าไปในตัวทั้งหมดนี่ปัจจัยข้อหนึ่งจีวระปัจจัยข้อที่สองคือเครื่องนุ่งเครื่องห่มเรียกว่าจีวรจีวอน ไม่ได้หมายเพียงผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าดำผ้าชิ้นหนึ่งจะเป็นสีสีไหนก็ตามเพื้อก็ตามผ้านุ่งผู้หญิงก็ตามตัางเกงผู้ชายก็ตามท่านเรียกจีวรทั้งนั้นแต่ไม่นิยมกันเท่านั้นเองจีวรก็แปลว่าผ้าเท่านั้นไม่ได้แปลว่าผ้าเหลืองผ้าดำผ้าแดงเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ครอบไปถึงคารวาสญาติโยมด้วยเรียกว่าจีวระ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 แต่ไม่นิยมเรียกกันเท่านั้นเพราะได้โอนศัพท์นี้ไปใช้ทางศาสนาเป็นส่วนมากจึงไม่เกิดนิยมกันเรียกเท่านั้นเองแต่ความหมายอันเดียวกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยข้อที่สามปัจจัยข้อที่สี่ที่ลานะเพสัตคือยาแก้โรคยาแก้โรคนั้นนะ่ะในวินัยท่านจัดมีถึงหลายอย่างสี่ห้าอย่าง แต่พูดแค่ยาแก้โรคนี้ก็ได้ความกันจะเป็นยาชนิดไหนก็ตามแต่ทางพระวินัยมีกฎเกณฑ์หน่อยไม่เหมือนคารวาสคารวาสก็มีแต่ว่าไม่สู้จะมากยาในทางพระวินัยนี้มันมีอยู่สี่ชนิดอันนี้เป็นส่วนสําคัญจึงจะขยายเสียหน่อยยาวากาลิกชนิดที่หนึ่งยามะกาลิกชนิดที่สอง สัตหากาลิกชนิดที่สามยาวะชีวิตชนิดที่สี่เครื่องที่เราจะต้องกลืนกินเข้าไปนั้นเรียกว่าของควรแกการบริโภคมีถึงสี่ห้าอย่างยาวะกาลิกนะับแต่ผู้ถือศีลแปดมาจะกินอาหารเวลาตอนบ่ายนั้นไม่ได้เด็ดขาดคือกินได้แต่เวลาตอนเช้าไปถึงเที่ยงนี่เป็นอายุ ของอาหารจะต้องบริโภคของผู้มีศีลท่านเรียกว่ายาวะกาลิกกล่าวกันง่ายๆคืออาหารที่จะต้องกินกันข้อที่สองเรียกว่ายามะกาลิกกินได้ชั่วเวลาครู่ของวันได้แก่น้ำอัฐบาลเมื่อทาเวลาตอนเช้าถ้าแสงอรุณขึ้นวันใหม่กินไม่ได้กินได้ตั้งแต่ตอนเช้าไปถึงกลางคืน พอสว่างกลืนไม่ได้เลยจะเป็นโยมก็ตามจะเป็นพระก็ตามเมื่อรับประเคนไว้ฉันได้เสมอชั่วยามหนึ่งเท่านั้นกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงเลยนั้นไปฉันไม่ได้เรียกว่าปานะคือน้ำดื่มนีม่พูดถึงว่าเมื่อเราทำสำเร็จเสร็จแล้วก็รับประเค้นถ้าไม่ประเคน ก็กินไม่ได้เหมือนกันมันเสียมันบูดมันเสียมันก็จะทำให้เกิดโรคเกิดภัยกินไม่ได้เมื่อการเวลาที่ควรแก่วิัยก็ฉันได้ท่านเรียกว่ายามะกาลิก ค, คือน้าอัฏฐบาลนี่ของที่ควรแก่การบริโภคของส ม, มณะสัตตาห์กาลิกส ป, ปินวดีตังเตลังวัตุ าณิตังเกล่าวกันง่ายๆคือน้ำอ้อยน้ำตาล น, น้ำพึ่งแต่ในบาลีท่านบอกสปิดเนยละ น, นิตังเนยข้นเตลังน้ำมันมาทุน้ำพึ่งผาณิตังน้ำอ้อยทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่ายาคีลานะเพสัตถ้าเป็นพระพิษุรับประเทณแล้ว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 ส่วนเนยบริสุทธิ์จริงๆก็มีแต่มันไม่อร่อยก็กินเป็นยาจะอร่อยอยังไงพระพุทธเจ้าอนุญาตให้เป็นยาแก้ไขแล้วจะมาเอาความอร่อยถ้าจะเอาความอร่อยก็กินข้าวเย็นกันเท่านั้นเองโอวันตินใส่เอาแป้งใส่กวนเข้าไปกับเนยกระป๋องก็อร่อยสิเพราะได้มีแป้งก็ข้าวเย็นกันเท่านั้นนี่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 หาด้วยความบริสุทธิ์นั้นเรื่องของญาติโยมก็พรนน า, นาเรื่องบุญกุศลให้เขาฟังแต่เขาจะทําหรือไม่ทําเราไม่ต้องมีวิธีการโอบอ้ อ, อมอย่างพระหาด้วยความบริสุทธิ์ตื่นขึ้นแล้วก็ลงจากกุฏิอุ้มบาตรอุ้มจีวรส้อนสังคาสังวรในบรรดาติของตนไปอย่างเจ้าไปอย่างเจ้าอย่างไรเขาจะให้มาก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 ก็ไปตามหน้าที่นี่เรียกว่าหามาตามชอบไม่มีตัวโลคแอบอิงไปด้วยถ้ามีตัวโลคมันแอบไปด้วยแล้วก็บินทะบายขี้มักไม่มีคนใส่ถ้ามีคนใส่เอามาฉันก็ไม่ค่อยอร่อยเหตุนั้นวิธีการแสวงหาก็ต้องทำให้ดีทุกอย่างพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่การนุ่งการหม่มการเดินสารวมม ญ, ญาต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 เราบริโภคต้องนั่งก็มีบางอย่างบริโภคเราไม่ต้องนั่งก็มีบางอย่างนอนกินก็ได้บางอย่างนั่งกินก็ได้แต่ยืนกินไม่ได้บางอย่างยืนกินได้นั่งกินก็ได้นอนกินก็ได้บางอย่างเปลือยคลายกินก็ได้บางอย่างอยู่ที่เปิดเผยกินได้บางอย่างอยู่ในที่กาบังกินไม่ได้ ตัวอย่างเช่นเราจะฉันข้าวในห้องของเราเองไม่หมจีวรก็ได้ถ้าไม่หมจีวรมาฉันกลางแจ้งเป็นทุกกฎอย่างนี้เป็นต้นบางอย่างเดินกินก็ได้เช่นกินหมากนี่เดินกินได้แต่จะไปเดินกินข้าวไม่ได้นะอันใดควรเดินกินอันใดควรนั่งกินอันใดควรที่จะนอนกินเดินกิน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 นั่งให้สวยทีนี้อย่างเงยกินมากมันจะกลายเป็นเดรรชันบริโภคอย่า ก, ก้มกินมากมันจะกลายเป็นกาจิตศกให้ตั้งพอดีพอดีอย่างเงยมากอย่า ก, ก้มมากให้พอดีพอเหมาะให้รู้จักแต่งตัวกินบางคนหรือบางท่านบางวัดกินข้าวอีชุยอีแฉบบางทีทีวอรหลุดไปจากตัว นั่งจ้ำหร อ, อย่างนี้ก็มีบางทีไม่หม่มถลก บ, บาดก็ไม่แก้จ้ำเข้าไปบางทีกินอิ่มน้ําจะดื่มก็ไม่มีนี่เรียกว่าไม่รู้จักกินที่เรียกว่าพัตกวัดบางสังคมตีพินพาดทําเพลงกินก็มีเช่นเอาช้อนเคาะจานหรือถ้วยเสียงดังลั่นคุยกันอื้อเฉาซึ่งไม่ควรแก่ส ม, มณญเพศ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 ถ้าควรย้อมไปสุมันก็ผิดมันมีอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ารักษาบางทีไปบินธบาตในบ้านบางทีก็ถูกเม็ดฝนถูกเหงือบ้างนิดๆหน่อยๆไม่จําเป็นต้องซักพึ่งแดดให้มันแห้งเสียบางทีไปตากเสียมันก็ผิดพึ่งนั้นคือชั่วคราวเท่านั้นบางคนพึงแต่เช้าจนค่ำ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 มันสกปรกมันเปื้อนนี่ควรซักไปตากมันใช้ไม่ได้ในเรื่องจีวรในเรื่องพระเราก็ยิ่งมากพึงผ้าตากผ้าย่างผ้ามีถึงสามลักษณะพึ่งคือมันติดเหงือ่อมันไม่ถึงสกปรกพึงลมพึงแดดนิดหน่อยเก็บอย่าไปตากมันผิดผ้าควรตากอย่าพึงผ้าควรย่างอย่าตาก ผ้าควรย่างคือผ้ายังไงผ้ากระถินต้องย่างไม่ย่างไม่ทันเวลาเผื่อตากมันก็เสร็จกระถินขาดนี่เรียกว่าผ้ารีบด่วนนอกจากนี้ยังมีสุผ้าซักผ้าย้อมผ้ากอกผ้าสุผ้าโดยมากเขาไม่ใช้น้ําเย็นคือผ้ามันสาวหรือเปื้อนโดยมากเขาใช้น้ําเดือดเดือดเมื่อต้มให้เดือดแล้ว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 ผ้าเรามีกี่ชนิดผ้าเช็ดเท้าจนตลอดผ้าโูกหัวรู้จักซักรู้จักเก็บรู้จักใช้สอยบริโภคให้มันเรียบร้อยดีงามทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในเรื่องกีวรคล้ายๆอาหารแหละผ้าขี้ริ้วขาดเก็บให้มันดีๆคนจะมาเห็นมันสศกปรกเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางควรซักควรตากก็ตากต้องการใช้หยิบได้ทันที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 ไม่มีความสวยงามวันนี้ไปตั้งไว้ห้องหนึ่งพรุ่งนี้พาไปไว้อีกแห่งหนึ่งวันนี้ไว้บนบ้านพรุ่งนี้ไปไว้ใต้ถุนหากันไปเถิดแทบตาแตกมันก็ไม่เห็นนี่เขาเรียกว่ามันเสียมันญาติคือไม่สวยงามมีตัวอย่างเขาเล่ามามีสองผัวเมียสมัยหลวงพี่บุญนี่แหละเขาให้ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง แต่ก่อนนุ่งผ้าจงกระเบนก็พอสังเกตกันได้ง่ายสมัยนี้เขาให้นุ่งผ้าถุงทีนี้ไอ้ผ้ากรงผัวกับผ้านุ่งเมียเอาไปไว้แห่งเดียวกันมันลืมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกผ้าเมียเขาไว้ใต้ที่นอนข้างใต้เตียงคือใต้เทา้าผ้าผัวเอาไว้ข้างทีนี้มันจะด่วนหรือไม่ด่วนก็ไม่ทราบมันมืดหน่อยแกก็มาถึงบ้าน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 พ่อนั่งเฉยกินกาแฟสบายหันไปหันมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงพ่อพ่อเอาผ้าแม่มานุ่งเอ๊ะกูก็ไม่รู้นะกูก็สงสัยเหมือนกันว่ามันแข็งแข็งสากๆากมันเป็นไหมวะต้องรีบกลับหอบผ้าขึ้นกลัวเพื่อนเห็นทีนี้อบขึ้นมาบนเอวเดินมากลัวเขาจะเห็นว่านุ่งผ้าเมียหอบไม่ให้เขาเห็นลายผ้า หอบผ้าล่อนจ้อนเดินเข้ามาในบ้านแบบนี้มันเสียมัน ญ, ญาาิเท่าไหร่เลยหมดอายมันอายนุ่งผ้าเมียมันไม่อายหนังตัวเองเลิกผ้าขึ้นมาบนเอวหนังเคยอายไม่ยักอายไปอายผ้ากลัวเขาเย้ยว่าอีตาคนนี้นุ่งผ้าเมียกลัวเขาว่าเลิกผ้ามามวนอยู่บนเอวไอลูกก็อายแทนพ่อวิ่งเข้าบ้านนี่